ตัวนนี้ผมก็ใช้แบบนี้แหละผมใช้ว่าถ้ า, าว่าเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแต่ไม่ติดปัจจุบันบรรดาความทุกข์ทั้งหลายนี่มันก็จะหลุดหายไปจากใจทันทีเลยตัวนี้ผมก็ใช้ตัวนี้เป็นประจำทุกอะไรก็ไม่เกิดขึ้นเมื่ออยู่กับปัจจุบั น, นอันนี้สาคัญแล้วก็หลายคนที่ มีปัญหาเรื่องการพาวนาเนี่ยเขาก็จะมาขอชอ็อตสั้นๆเพื่อนแนะนำให้เขาได้นำเอาไปพาวนาอย่างชอ็อตสั้นๆอาจจะไม่เจอกับผมอีกต่อไปครับว่าอย่างนั้น mm hmm. แล้วก็ยินดีการปฏิบัติเนี่ยการเจริญสติเนี่ยถ้าเราจะรู้สึกตัวนะควาพเขียนทั้งหมดรู้ซื่อ อันนั้นเป็นหลักใหญ่ของผมนี่จะบอกรู้เบาๆรู้สึกตัวอะไรก็ได้จะซื่อๆอยังไงก็ตามแต่ว่าให้มันเบา ๆ, ๆคือไม่กดแล้วก็ไม่ไม่ยึดน่ะคือรู้เบาๆการรู้เบาในรูปแบบจับหลวมๆจะปล่อยไปเลยไม่ได้หรอกมันจะไม่รู้หรต้องรู้เบาๆแตะเบา ๆ, ๆรู้เบาๆ เบาแต่ละครั้งเนี่ยต้องให้มันติดต่อกันนานๆได้ความรู้เบาๆนี่มันจะมีน้ำหนักมันจะมีน้ําหนักขึ้นมาเพราะเกิดการนิ่งหนักขึ้นมาเนี่ยต้องระวังอีกข้อนี้อย่าไปเอาผลมันอย่าไปมุ่งเอาผลของการปฏิบัติต้องหมดมันจะเป็นการทําเพื่อความยึดมั่นถึงมันทํามุ่งที่ว่าไม่เอาผลอะไรเลยเนี่ยมันทําไปมันวางไปทําไปวางไป มันก็จบตรงที่วางได้เนี่ยเพราะว่านักภาวนาก็เอาตรงเนี้ยไปฝึกไว้ได้ถ้าไม่เชื่อก็ลองทำดูสิเราจะเห็นผลทั้งการอยู่กับปัจจุบันทั้งการรู้ว่าเบาวันนี้ผมก็พาวนาตัวเองก็อยู่อย่างนี้แหละรู้ว่าเบารู้แล้วกันป่างรู้แลวบางวางแต่บางวางจริงๆก็มาทำใจได้นาะญาสุดท้ายของชีวิตแลเรื่องของการ ลอยวางเนี่ยมันก็ไปเห็นตรงที่ว่าอ เ, เออกายกับจิตเราเนี่ยมันมันไม่ใช่ของเราจริงๆหรอกมันเป็นของธรรมชาติที่เราก็ยืมมาใช้ชั่วคราวเรายืมมาใช้ชั่วคราวเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องส่งคืนเข้าไปตุกอย่างเอามาใช้ชั่วคราวแล้วงั้นล้วก็ส่งคืนเเมื่อเราไปพักที่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง เราเช็คอินเข้าไปชั่วคืนเช้าเราก็ต้องเช็คเอานะถ้าเราคิดได้อย่างนี้เข้าใจเรามีนะมันก็สบายใจในแต่ละวันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ก็สบายใจส่งคืนเรียบร้อยเนี่ยแต่พระคุณเจ้านะะขออภัยผมไม่ได้ต่อ <c oughs> มันเป็นการแนะนําบางอย่างที่ผมก็เคยพูดทาํามะ ในการแนะนำธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราทําด้วยจิตใจที่มันเป็นอิสระทำด้วยใจ อ, อิสระนะงานทุกอย่างสํานึกโด ห, หน้าที่และทําด้วยใจอิสระเนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นทันทีที่เราทํทาทันทีเไม่มีความกังวลคนหลายคนทํางานแบบอิสระทำเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ไม่ดี เราทําเพราะว่าเราไม่ชอบใจทำด้วยความไม่ชอบใจมันก็ไม่อิสระทาด้วยความกังวลทรกกลัวอะไบางอย่างมันจะไม่มีความสุขกับการทำแม้เราสํานึกเหนหน้าที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยทําแบบไม่มีความสุขถ้าทําหน้าที่ด้วยใจที่เป็นอิสระความสุขจะเกิดขึ้นนั่นดีโอ้โหคุณพระเราก็ได้ว่าคุณเจ้าแม อยู่เป็นลมโผลลมใจแล้วไปดูก่อนทุกสากนาต่อไปเนาะ